ร่างกายก็ต้องดื่มน้ำต้องกินข้าวต้องหายใจต้องลาบน้ำต้องทำความสะอาดให้ร่างกายมันึงหมดเวลาไปกับเรื่องของร่างกายครับพอสมควรเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ใช้ร <te le ks> ่างกายหารูปเสียงกิิ่นลดให้เรามาเสดกัน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 ถ้าติดลูกเสียงกิ่นรถก็ต้องมีร่างกายร่างกายอันนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เราก็เกิดกันมาอยู่เรื่อยๆ ร, ร่างกายนี้ตายไปก็ไปเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็มาทาแบบเดิม แบบที่เราทำกันอยู่พรามันเป็นนิสัยของเราเราเคยทำอะไรเคยชอบอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นเราชอบรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาเราก็เลยมาหารูปเสียงกลิ่นรสผดพภากันก็หามาอย่างนี้มาไม่รู้ว่านับไม่ทวน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 พระพุธเจ้าบอกว่ามันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเอนั่นคือปริมาณของน้ําตาที่เราหลั่งกันในแต่ละพบแต่ละชาติเมื่อมารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรก็คิดดูว่าชาติหนึ่งเราหลั่งน้ําตาถึงน้ําขวดหนึ่งไหมน้ําตาที่เราหลั่งเนี่ยที่เราร้องไห้กันถ้าเราสามารถที่จะเก็บมัน เวลาเล่เาให้ทีก็เอาทีเา่เอาแก้วมาลองที่ตาแล้วก็เอาไปใส่ในขวดไว้หรือว่าตอนตตอนจะตายนี่ได้สักกี่ขวดเราคิดดูจะต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะได้น้ำ้ะามากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นล่ละคือจำนวนร่างกายของพวกเราที่เราเปลี่ยนกันมาอยู่เรื่อย เปี่นเพื่อมามาเสบรูปเสียงกลิ่นลดกันเพราะร่างกายมีตาหูจมูกนิ้กายไม่มีใครปฏิเสธเลยใช่ไหมว่าไม่ได้ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดกันเเสบกันทุกคนเวลาไม่ได้เสบเป็นยังไงบ้างรรเวลาให้ถือสีนแปดเป็นยังไงบ้าง เวลาถือศีลแปดนั่นก็เป็นเวลาห้ามไม่ให้เสพลูกเสียงกลิ่นรสกันจึงไม่ค่อยมีใครถือศีลแปดกันเพราะว่ายังยังอยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นรสอยู่ศีลข้อสามยังอยากจะลว่มลับนอนกับแฟนอยู่ศีลข้อห้าก็ยังอยากจะลิ้มลดนมกลิ่นของอาหาร รับประทานอาหารสี้นก็สิ้นก็เจ็ดก็ยังอยากไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงอยากดูมอาหาระศกอยากแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปทากทำเเผาทำผมแล้วก็อยากนอนมากๆนอนแล้นมันสบาย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 จากเอ็ซีให้เป็นพระละน่าจากคนจิตธรรมดาก็ให้เป็นจิตซูเปอร์แมให้เป็นซูเปอร์ธรามภะละก็คือซูเปอร์มีพลังพลังตอนเนซี MC เราพลังมันน้อยสู้พลังของความอยากในรูปเสียงกิดลดไม่ได้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 มีร่างกายเปลี่ยนร่างกายกลับมาไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือเราต้องมาสร้างอินซีห้านี้ให้เป็นท่ละห้าถ้าเป็นน้ำมันก็เปลี่ยนจากเก้าสิบเอ็ดให้เป็นน้ำมันเก้าสิบห้าก็ต้องกลับส่งกลับไปโรงกลั่นเอากันกัน ปกัศให้มันเหลือ 95, 91นี่มันยังมีสารมีมีของจิวปนทำให้มันไม่มีพลังเท่ากับน้ำมัน95น้ำมัน95นี่วันบริสุดกว่าน้ำมัน91ไนดของเราตอนนี้มี In45 กันศรัทธาก็พอมี ก็พอมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงค์ผู้ที่มีพระหา้าความเพียรก็พอมีว่างอย่างน้อยเดือนละครั้งก็มาฟังเทศฟังธรรมกันทำบุญทำทานกันแล้วถ้าปีหนึ่งก็อาจจะมาอยู่ปีกวิเวกสักสามวันอันนี้คือกำลังของผู้ที่มี NC ห้า แต่ยังไม่มีพละหา้าก็ต้องมาสร้างให้มันเป็นพละหา้าก็ต้องเพิ่มปริมาณของการที่เราจะเข้าหาพระพุทธธรรมประสงค์เข้าหาด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นฟังแล้วก็จะมีศรัทธามีฉันทะมีความยินดี ที่จะทำความเพียรพอเราเริ่มทําความเพียรวิริยะอินทรียีก็จะกลายเป็นพระอินทรียีขึ้นมาเมื่อก่อนก็อาจจะปฏิบัติบ้บางนั่งบ้างวาเวลาครึ่งชั่วโมงอะไรทํานองนี้เราเพิ่มปริมาณการปฏิบัติ เป็นสองเท่าคอยนั่งชมวครึ่งชั่วโมงก็นั่งนั่งเป็นชั่วโมงไปเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆเพิ่มการภาวนาเพิ่มการรักษาศีลคยรักษาศีลห้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามรักษาให้ได้รักษาศีลห้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีขาด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 ต่อไปอนย์ก็จะกลายเป็นภระอนี4ห้าก็จะเป็นพระห้าขึ้นมาศรัทธาก็จะเป็นศรัทธาแบบไม่สั่นคลอ น, <c oughs> แ, นแน่วแน่มั่นคงศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระอรลยสงสากแล้วก็ปฏิบัติตาม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 เกิดการเจริญสติขึ้นมาเกิดการรักษาศีขึ้นมารักษาศีแปดถ้าจะปฏิบัติก็ต้องรักษาศีแปดจะได้มีเวลาถ้าทำงานถ้าออกจากงานได้ก็ออกไปถ้ามีเงินสำรองไว้พอให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่เดือดร้อน ถ้าคนหยุดทำงานเอาเวลามาหาความสงบดีกว่าถ้าทำงานเพื่อหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปซื้อของทางตาหูจมูกลิน้นกายซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกาย<ส>ก็หยุดทำงานดีกว่าเอาเวลามาหาความสุขทางใจมาปรีกยวิเวกอยู่คนเดียว ถึงสี่แตดแล้วก็จเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้คิดเลื่อยเกยถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ทํางานมันก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดเนี่ยก็สามารถที่จะดึงมันให้หยุดคิดได้ให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้มันเฝ้าดูการทํางานของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายไป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 เมื่อใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอยู่กับตายเท่ากันพอไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนถ้าเราไม่ใช้รถยนต์รถมันจะเสียไม่เสียก็เท่ากันจะมีน้ํามันหรือไม่มีน้ํามันก็ไม่สําคัญเมื่อเราไม่ใช้มันจอดมันอยู่เฉย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 ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปก็สุดแท้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่ความพอใจเหมือนรถเสียเอไปซ่อมก็ได้ไม่เอาไปซ่อมก็ได้เมื่อไม่ใช้มันจะไปซ่อมมันทําไมซ่อมมันแล้วเดี๋ยวก็เสียอีกก็ปั่นมันเสียไปจานมันทิ้งไปเฉยๆเดี๋ยวมันก็รถถ้าจอดไปนานๆ ม, มันก็เสียมันทําอะไรไม่ได้ ใช้อะไรไม่ได้แต่เมื่อเจ้าของไม่ใช้มันแล้วไม่นั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมันใช้ใช้ความสงบดีกว่าความสงบนี้ดีกว่าให้ความสุขมากกว่าให้ความอิ่มเ อ, อบใจเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความอิ่มเ อ, อบใจไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกาย เต็นไปด้วยความหิวความอยากอ๋อได้ความสุขทางร่างกายเพระเดี๋ยวความหิวความอยากจะมีความสุขทางร่างกายก็ตามมาอีกไม่มีวันพอมีแต่จะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปอีกถ้าได้ดูได้ฟังอะไรแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟังองีก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 เจ้าชายสิท ธ, ธัก็เลยคิดว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังอยากจะรู้ว่านอกจากที่เห็นในวังแล้วมีอะไรมากนอกเหนือไปจากนั้นหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยต้องหนีออกไป <c oughs> แอบออกไปแอบแอบออกไปเ <c oughs> พราะถ้าขออนุญาตก็ไม่ได้ไป <c oughs> ก็เลยต้องแอบออกไปพอออกไปก็ไปเจอคนแก่เขา้า ตองต้นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฐานอาหารเล็กอะไ็กก็บอกก็คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่นี่แหละครับแต่พออยู่ไปนนานๆเข้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ร่างการมันต้องแก่ลงไปแม้แต่แตพระองค์เองก็ต้องเป็นเหมือนกันต่อไปนพอทราบว่าตัวเองจะต้องแก่ขึ้นมาความวิตกก็เกิดขึ้นมาแล้วโอเราจะต้องแก่ยังไงเราจะไปหาความสุขได้ยังไง เป็นคนแก่มันก็เนี่ยประทับประครองสังขารของตัวเองกอย่างแทบไม่ไหวเราจะไปทําอะไรได้แล้วพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็ไปเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านร้องขวนคางก็ถามว่าคนนี้ก็เป็นอะไรวันนี้ก็เป็นโรคภยัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อองค์ก็ต้องเป็นเหมือนกันอ้าว ตายแล้วต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งมิตกยิ่งเดแล้วพอไปเดินไปดูอสักระยะหนึ่งก็ไปเดินเห็นเขากําลังแห่ศพหรือกําลังเผาศพอยู่พอถามเขาทําอะไรกันเขากาลังเผาศพเอคนนี้เขาหมดลมหายใจแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วร่างกายถ้าเก็บไว้เฉยๆมันก็จะเน่าเหม็นมันก็จะ เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ก็เลยต้องเอาไปเผาร่างกายของพระ อ, องค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อทรงเห็นสัจธรรมความจริงสามประการก็ทําให้พระ อ, องค์นี้เริ่มมีความวิตกมีความหวาดกลัวต่อสังขารต่อการมีสังขารร่างกายแล้วพอเดินไปสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นนักบวช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 ความดูเหล่านี้ก็เลยฝังอยู่ในใจของพระองค์ประกอบกับพระองค์เองก็มีบุญเก่ามามีสมาธิติดตัวมาจึงมีความสุขจากความสงบของใจในขณะที่ไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้จิตสงบจิตรวมคือตอนที่ทรงพระเยาว์ววันนั้นเป็นวันที่เขามี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 มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพระอก็เลยมีความยินดีที่จะไปทดลองกับการใช้ความสุขแบบนี้การหาความสุขแบบนี้พอถึงวันที่ได้ข่าวว่าพระลอพระพระมหเหสีได้ค้อพระระาชโอรสตอกมา พระองก็เลยรู้ว่าถ้าจะถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แล้วถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะไปไม่ได้เพราะความผูกพันต่อพระราชโอรสเนีก็เลยไม่กล้าไปดูพระราโอรสไม่กล้าไปเสกุลบายไปเลยมีมีมนาัชนะ่าตามสเสด็จเปเอามากกับ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 ชวนให้กลับไปหาลู ก, ก, กเสียงกินรถแล้วพอคิดถึงความแก่ความตายที่ตามมาก็ทําให้เกิดความกลัวเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองก็เลยยังรู้ว่าอระองยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างตลอดเวลาดับได้เฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิไปศึกษาไปเรียนกับครูบาอาจารย์สองลูปทั้งก็สอนการเข้าไปในรูปฌปานกับ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 ออกจากสมาธิมาความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายก็กโผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีใครรู้วิธีพระองค์ก็เลยลองหาวิธีสู้กําจัดความอยากก็คิดว่ามันอยากที่ร่างกายอยู่ในร่างกายถ้าแม่มันกินมันแม่มันมีแรงมันกับความอยากมันก็คงจะหมดไปแต่อดข้าวต้องสี่สิบเก้าวันร่างกายจะตายอยู่แล้ว ความอยากมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมพระองก็เลยบอกนี้ก็ไม่ใช่ทางความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่สงบทีนี้จะทำไงใ ห, ให้ใจสงบในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิพระองค์ก็เลยคิดไปคิดมาค้นไปค้นมาในที่สุดก็พบว่าความอยากเกิดจากความหลง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 ทีนี้ร่างกายมันจะแก่ไปเรื่อยๆมันต่อไปมันก็จะหูหนวกมันก็จะไม่ได้ยินตาก็จะไม่ดีมันก็จะมองไม่เห็นแล้วใจมันก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะมันยังอยากหาความสุขเนี่ยพราองก็เลยพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางร่างกายนี้มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน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 การหาความสุขทางร่างกายว่าเป็นการหาความทุกข์มันถึงจะหยุดความอยากได้แต่ยังเห็นว่าการหาความสุขทางร่างกายเป็นเป็นความสุขมันก็ยังจะไม่เลิกหาเหมือนกับถ้าเรารู้ว่ากาแฟที่วันนี้เขาใส่ยาพิษไว้ดื่มเข้าไปจะต้องตายเนี่ยเราก็ไม่ดื่มที่เราไม่รู้ยาพิษเขาใส่มันไม่ได้ตายที่ร่างกายมันไปทาให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 มันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้อยู่ที่พร้อมกันไม่ได้ถ้ามันสว่าง in, มันก็ไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้ามันอิ่มมันก็ไม่หิวใช่ถ้ามัน pues หิวมันก็ไม่อิ่มใช่ไหมถ้ามันอยากมันก็หิวถ้ามันไม่อยากมันก็ไม่หิวนี่ก็อย่าไปอยากมันท่านนั้นเองรอจิตง่ายๆตักกะง่ายๆอยากมันหิวก็อย่าไปอยากมันสิ อยากไปอยากินอยากดืมอยากฟังให้มันตายไปให้มันให้มันสู้กับมันตอนที่มันสู้กันเน่ยมันทรมานตอนที่มันอยากแล้วเราไม่ไม่ทําตามความอยากนี่โอ้โหมันจะตายให้ได้ <licence> โหยหวนใจนี่โหยหวนถ้าโหยก็แฝงนี่โหยโหยละครโหยอะไรตา่างๆถ้าไม่ได้ทําตามความอยากแล้วมันจะตายให้ได้ถ้ายอมยอมทนอ่ะ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 ถ้าเธอปฏิบัติตามที่สอนได้เจริญสติได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิจิตแกล้วรวม เ, เวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาหยุดมัน เ, เห็นว่าความอยากนันพาไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยมมันได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปพอจากไปเราก็อ้างว่างเป่าเปลี่ยวเร็วได้ถคิวเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมอยากขึ้นมาใหม่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 พอเกิดความอยากก็เกิดความหิวเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจอยู่ไม่เป็นสุขล่ะต้องไปทำตามความอยากเพื่อที่จะได้ทำให้ความหงุดหงิดความลำคาญใจความเหงาความว้าเว้เจ้าส่า้อยง่อยเหงาหายไปเวลาอยู่คนเดียวเหงาก็ต้องไล่กันโทรหากันถามสารทุกสุขเดียวกันอพอ ได้รับรู้เรื่องราวก็ก็เพลินหายหายจากความหมงุดหงิดไปชัว่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกเดี๋ยวคุยกันมากๆเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเบื่อกันนี้อ้าหยุดไปหาความทุกข์ทั้งทั้งไปแนละ้วไม่ได้ไปอยู่ก็ทุกไปก็ทุกเวลาคิดถึงใครก็ไปหาเขาไปอยู่กับเขาได้ ไ, ม, ไม่กี่วันก็ทะเลาะ ก, กันลนะกับ คิดถึงลูกไปอยู่กับลูกได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันละลูกเหมือนกลำลังคารเราละเราก็ลําคารมันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันกลับมาได้มีกี่วันก็คิดถึงมันเองละกลับไปละมือนก็เด้งไปเด้งมาอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตเราเหมือนเหมือนลูกฟุตบตอลดวงตาบอกจิตพวกเรานี่เหมือนลูกฟุตบอลถูกสองฝ่ายเตะไปเตะมา อยู่ตรงนี้เขาก็าเตะไปทางนู้นพอเตะไปทางนู้นเขาก็าเตะขับมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็อยากไปหาลูกพอไปหาลูกเสร็จก็เบื่อก็อยากจะกลับบ้านอยากไปอย่างอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะเบื่อพอมันจําเจมันชินชา ก, กับอะไรสักพักแล้วมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะคิดถึงบ้านบ้านที่เบื่อมันก็กลายเป็นบ้านที่อยากจะกลับมาพ อ, อ ก, กลับมาอยู่บ้านสักพักก็เบื่อก็อยากจะไป เ, เนี่ยจิตที่ไม่สงบเป็นอย่างนี้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 มันจะตายมันจะไม่มันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกครับล่าของความอยากก็คือความหลงที่คิดว่าการทําตามความอยากจะเป็นความสุขใช่ไหมเพราะเราอยากได้อะไรนี้เราทํากันเลยใช่ไหมอยากไปเที่ยวนี้ไปแล้วัอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปฟังอะไรนี้ไปกันเลยเห็นไหมคนที่ไปดูภาพประโยน์กันไปดูคอนเสิร์ตกันคนที่ไปงานเลี้ยงกันเยไปทําไมก็คิดว่าไปแล้วมันมีความสุขกัน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 ถ้าหยุดด้วยการเข้าสมาธิตอนนี้ไม่เป็นไรนะเพราะเราเข้าด้วยเหตุผลเราเข้าด้วยเรารู้ว่าเราเข้าเพื่อเราไม่ไปเพื่อไม่ไปทาตามความอยากพอมันอยากเราก็อยากไปทำตามความอยากออไปความอยากมันก็หมดลิ้นหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราเอีกต่อไปอย่างพระโสดาบันนี้ก็ละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ก็ไม่ต้องทุกกับเรื่องของความแก่ความเจ็บของร่างกายรักสกิดาข้ามีก็ทำให้ความอยากที่จะเสพการเบาบางลงไปจากร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบเเบาบางแต่ยังมีอยู่แต่ยังไม่หมดอย่างบางเวลาก็ยังอยากเขาเรียกว่าเบื่อเบื่อยากอยากบางเวลาก็เบื่อบางเวลาก็อยากถ้าเป็นผ้านะคาคารอิน้ก็เบื่อตลอดเวลา พอเห็นร really so so right so ่างกายทีไรก็เห็นเป็นซากศพเห็นเป็นอาการสามสิบสองไปเห็นตับไตไส้ผู้เห็นอะไรต่างๆไปความอยากที่จะไปเสพกามก็ไม่มีการมาราคัก็ถูกปัญญาทําลายเพราะอยากทีไรก็อย่างเงี้ยเหมือนกับอยากข้าวอยากอาหารก็ใ้คิดถึงอุจจละเดี๋ยวมันก็กินไม่ลงเองแต่ระวังเนียมันจะ ยาเขาเรียกอะลรว่าโอดีคือกินยามากเกินไปอย่างที่หลวงตาเคยเขียนไว้ในหนังเสบว่ามีแม่ชีคนหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเรื่องกินเนี่ยติดอาหารก็เลยพิจารณาอาหารความเป็นปฏิกูลของอาหารเห็นอาหารเป็นอุจจาระไปจนกระทั่งทุกครั้งจะกินกินไม่ลงแต่กระทั่งร่างกายผอมโซกินไม่ลงจริงๆว่าเวลาจะกินมันจะพิจารณาเป็นอุจจาระไปทุกที เลยต้องไปปรึกษากับหลวงตาบาว่าทําังไงถึจะแก้ปัญหานี้ได้หลวงตาก็บอกว่าให้พิจารณาว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟเป็นธาตุสี่ร่างกายก็เป็นดินน้ําลมไฟก็เราก็เติมน้ำเติมดินให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ต่อไปได้ก็ให้กินแบบกินยาแต่ไม่ให้กินแบบความอยากอย่าไปดูรสชาติของมันเดี๋ยวไปรูปของมันหรือว่ามันเป็นเพียงธาตุเดีย ดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องมีรสมีมีสีมีกลิ่นกินอาหารก็กินแบบจืดจืดชื้นชื้นไปไม่ต้องไปปรุงแต่งรสให้มันอร่อยอร่อย <Yes. S 1> คุกมันเข้าไปเอถ้ามันเป็นธาตุก็มันเหมือนกันหมดนะจะเป็นแกงจืดหรือแกงเผ็ดขนมเค้กหรืออะไรกระปนมันใส่คุกเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องไม่ใช่หรอก่อนจะรวมกันในท้องก็ให้มันรวมในชามนี่คนมันเข้าไป แล้วก็กินแบบกินเป็นทา่าเติมท่าต์อันนี้ก็จะทําให้ปัญหาเรื่องของการอยากจะกินอาหารนี่หมดไปเพราะามันอยากก็คิดถึงความเป็นอุจจาระมันก็หายอยากแต่เวลาจะกินก็อย่าไปคิดคิดว่ามันเป็นทา่าต์หรือว่าเป็นยาเออออเเามาคุกกันเหมือนเราคุกทำไมสุนัขมันกินได้อาหารเราคุกให้มันนี่มันกินอย่างนั้นเลยอร่อยอ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 บอกว่ามันเป็นอิจจาระบางที่กูจะกินอ่ะมึงจะทำไอออมงแต่ถ้ามีมีสติมิวเบคขามีสมาธิมันก็จะเอมันก็จะไม่กินมันไม่เดือดล้อนมันไม่หิวจิตมันไม่หิวยิ่งแล้วถ้ามันมีอุเบคขาแต่ถ้าไม่มีอุเบคขานี่มันหิวมันหน้ามืดเราให้ใครพวกยาเสพคนที่ติดยาเสพติดเขาเองต้องเสกกันอยู่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 ถ้าเราต้องการอุบเบกขากลับเราก็ต้องดันให้ความอยากหายไปอันนั้นเราก็ต้องใช้กํำลังบ้างเพง่อจะสู้กับมันได้หรือใช้ปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นอุจจระนี่มันถอนออกมาเลยเหรือเห็นว่าเป็นสรากศพนี่มันก็จะถอยออกมาใช่ไหมถ้าเกิดแฟนนอนตายเมื่อวานนี้เราจะเก็บไว้ไว้ในบ้านเมื่อคืนนี้จะนอนเอยเหรอใช่ตรงไหน <laughs> <laughs> เวลามีลมหายใจยังอยู่ด้วยกันได้เพราะไม่มีลมหายใจมันก็ยังคนร่างกายอันเดิมอยู่เลยมันก็ยังไม่เน่าไม่เหม็นอะไรเลยไม่เล <laughs> ่ตป้าทำไมไม่คิดว่าสมมติว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วจะได้จะได้ขอแยกนอนคนละห้องกันอ่ะต่อไปจะได้ขอแยกนอนกันคนละห้องกันหาหมอนข้างแทน เหมือนคนปฏิบัติมีคนถือศีลแปดคนหนึ่งถามมาใช้หมอนข้างได้บ่าใช้ไปทะไมวะนะตอนนี้เราต้องมาสร้างศรถถัทธากันนะพยายามฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่บ่อยๆสวอันนี้มีธรรมะโอ้อยู่ ใ, ใกล้เคียงตลอดเวลา วันละชั่วโมงก็ก็ดีนะ่ะเนี่ยฟังไปวันละชั่วโมงฟังไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยววัห น, นึ่งมันจะเกิดความฉุกคิดขึ้นมาเมืม่อไหร่จะปฏิบัติทันทีวะตอนเราเริ่มต้นเราก็อ่านหนังสืออยู่หลายหลายอาทิตย์เนี่ยเย อ, อพอสักวันหนึ่งมันต้เมื่อไหร่จะปฏิบัติทันทีพอถามตัวเองปับ๊บนั่งมันตอนนั้นเลยวางหนังสือแล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไปเลยรู้แล้วนี่วิธีจะปฏิบัติทำไงแล้วทํำไมไม่ปฏิบัติทันที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 เมื่อเพียรมากขึ้นผลก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เต็มร้อยเองแล้วก็จะทําให้งานที่เราต้องทําสําเร็จรุ่งรุ่งไปได้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายมาใช้ใช้ใช้ธรรมะแทนแทนที่จะพึ่งร่างกายเป็นสลาณะเราก็มาพึ่งธรรมเป็นสลาณะ ธรรมังสังนังกชามิพึ่งศรัทธาพึ่งวิรยิยะพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วเราก็จะมีความสุขมีความสบายเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็ไม่ต้องทุกกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่กลับมามีร่างกายใหม่งสบายนิบานังปามังสุขขัง ความสบายบรงอาสุขคือความสบายใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดจากการาสร้างธรรมะคือศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาฉะนั้นดูในตัวเราดูว่าตอนนี้เรามีศรัท ธ, ธามากเท่าไหร่มีวิริยะมากเท่าไหร่เรายังต้องเพิ่มไหมเพิ่มก็ต้องทำไปมีสติ้วย อ, อยางต่อเนื่องไหมใจเราสติ หนึงใจไว้ให้อยู่ไม่ไปไหนได้หรือเปล่าหรือยังปล่อยมันหรือยังไหลไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรานั่งพุโทโธดูสักสิบนาทีดูจะจะอยู่กับพุโทโธได้หรือเปล่าถ้าอยู่กับพุโทโธได้สิบนาทีจิตก็หลวมได้ของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยตอนที่แกหันั่งใหม่ๆข้างล่างแกนั่งห้านาทีจิตก็หลวมต้องแกเชื่อหลวงปู่ศรัทธาในหลวงปู่คําสอนของหลวงปู่ให้พุโทโธอย่างเดียว แกก็นั่งหลับตาพุทธโธพุทธโธงแกไปปุ๊จิตก็รวมไปนะแค่นี้อค่ห้านาทีเราดูได้พุทธโธห้านาทีไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เปล่ะะแล้วก็จะํำไปสู่สมาธินำไปสู่ปัญญาตามลาดับต่อไป น, นี่ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรเฮีย ทาวเรกวะหาปูราริกุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพบุเรนตุสังกปา จันโทปนะาราโสยถามณิจติราโสยถาสัพติโยวิวัจจันตุสัพโรโคมีนาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีริสะนิตยังมุตตาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติ อายุวโนสุ้ังภาลาง มีใครมาที่หลังก็เปล่าใครมาที่หลังอยากจะถวายเข้าของก็เข้ามาได้นะเีวใครต้องการหนังสือหนังสือซีดีอะไรก็เข้ามาหยิบได้ S <S <an> <S เป็นไงฟังแล้วง่ายๆนะทลไวไม่ทำยางตรงไหนยางตรงที่ไม่ทำเการใช้กังเงี้ยการทำสมาธิให้ไยก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จิตตรงนั้นเนี่ยอยง ลงตาท่านเป็นคนแก่มีใครติดตามถ่ายทอดสดกันบ้าง มันเครื่องรับอินเทอร์เน็ตได้ป่านี้นี้บังเครื่องจ้าค่ะบังเครื่องแล้วรัได้ตลอดตลอดทางเลยเหรอไม่ค่ะเป็นช่วงาทีบินถามางประเทศไม่ได้พอรับสาแล้วผู้โดยสารจะรู้ไหมว่าช่วงไหนมีไม่มีหรือว่าเขาต้องรู้เขาจะต้องเขาจะเปิดดูอินเอร์เน็ตดิ้า่งล่าไม่ใชข้างบน่อะอ่าเป็นของของสายการบินขายใช่ไหมขายเป็นเฉพาะ ใช่็นพีเนสพีเนสอยางน้ค่ะขึ้นมาแต่ว่าจะมีเครื่องอยู่สองแบบฉันไม่ใช้ได้ชุดเครื่องสามสามเอสแบบ้าสาร้อยกับสามแปดศลอกไม่เครื่องอื่นยังไม่มียังไม่ติดเครื่องรับไเลยคนนี้คงจะต้องรับจากดาวเทียมใช่มั้ยหรือว่าใช่ค่ะจากสัญาณดาวเทียม สัญญาณดีไหมถ้าเวลารับได้ไม่เคยไม่ใช่ได้ไม่ว่าหรอกอยากจะถามท่านนี้งว่าสายกันบินอิ่นเขามีให้ฟรีเลยแล้วมีทุกแบบว่าเครื่องแบบทเครื่องทางสายล่างที่เขาใช้กันอย่างกว้างขวางเขาก็เลยบริการให้ เรายัางไม่ได้ใช้กันอย่างกว้างกวางไ่เงวางได้แ้ดดเดี๋ยวแยกซองไว้ทางนึงเอากระดาษเรื่องนี้สาธุถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็หยุดมีอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่า อห้อให้สวดให้ลูกสาวเขาอเแต่ละเขาหมดอายุแล้ว ห, ห, หมดเมื่อไหร่หมดแล้วก็ตายแล้วสิยังไม่หมดหรอกยังหายใจอยู่ไม่หมดหรอกเวลาหมดก็ต่อไม่ได้อสวดยังไงก็ต่อไม่ได้ออูมมดจกก็็ไม่ใต้องสวดแล้วสวดก็ไม่หายแล้วมันไม่ด้อยู่ที่สวดหรไม่สวด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 ที่นี้ไม่เคยประกาศว่าจะสวดให้ไม่ตายไม่เคยมีถ้าสวดได้เราก็สบา ย, ยสวดให้เราตัวเราก่อนนะ <laughs> เราจะได้ไม่ต้องตา ย, ย <laughs> ใช่ไหมใชเหตุผลเนี่ยเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลถ้าสวดให้จะไม่ตายได้ก็ไม่อยู่กันน้นโลกกันเลยหมดเลยล้วอยู่กันน้นโลกมันดีข้าวก็ไม่พอกิน <laughs> เดี๋ยวก็ตีกันแย่งกัน <laughs> อือมเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาก็บพูดไปตามอือภาษาคือโยนโยนภาร ะ, ะให้คนอื่นไปเขาทําไม่ได้ก็โยนไปให้หลวงพ่อเอาไ ป, ไ ป, ไปหาหลวงพ่ออือบ้านอาจจะสวดค่ะออนี้กิจกรรมพระบ้านก็ยังมีนิทานในสมัยพุธการก็มี ม, <c oughs> มีมีแ <c oughs> ม่มีนูก่อนลูก่อนตายน้องหมล้องไห้ก่อนลูกก่อนศพลู ก, ก <c oughs>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 แต่มเมล็ดพักการนี้ต้อเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะบ้านไหนที่มีคนตายใช่ไม่ได้นะออก็ดีใจรีบกลับไปบ้านไปหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านของ อ, อของคนในหมู่บ้านเคาะไปบ้านไหนบ้านไหนที่ก็มีเออมเล็ดพักการก็มีคนตายเพทุกบ้านมันต้องมีญาติพี่น้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันออไม่พี่ป้านะ้าอาก็ปุยญาติตายยาย ไม่งั้นก็ลูกศานไปบ้านไหนที่มีมาเล็ดผั ก, กาก็ถามว่ามีไหมกอกมีแล้วมีคนตายบ้ง <c oughs> นี่เห็ไหมบ้านไหนก็มี <c oughs> เลยเห็นความจริงว่าออความตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ที่ลูกของเขาคนเดียวคนตายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเพียงแต่ต่างเวลาเท่านั้นเองก็เลยหายเศร้าโศกหายทุก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 ยิ้มยิ้มได้แสดว่าหายแล้วนะอย่าไปทุกข์กับมันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรความตายไม่มีใครห้ามกันได้ต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่อยากเกิดก็ไปบวชชีกันการบวชชีก็การหยุดการเกิดดูบวชชีบวชพระนี่ <c oughs> เป็นการไปหยุดการมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่มีวันตาย นะบอกทางให้แนละ้ว <Okay. S 1> บอกทางให้แนละ้วเอาหนังสือซีดีไปอ่านชุดไป <c oughs> จะได้หูตาสว่างเราจะหายทุก <c oughs> <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมเป็นคนเสียเมื่ก็อยากจะถามอะไรต่อหรือเปล่าอยากจะถามอะไรก็แบบอ่าเพราะว่าอ่าที่ทําทำมานะคะก็มีการจัดแปลงสถานที่นั่งวิธีนั่งอมันต้องแบบดีแลนด์ทีน่อยรู้สึกทุกคนก็คงเหมือนกัน ถ้านั่งอย่างนี้นะมันมันไม่ได้เอาไหนเลยแต่นี่ก็รู้สึกจะเข้าท่าแนละ้วายถึงว่าเกลับดูว่าถ้านั่งนั่งไปขนาดนจะแบบขนาดแป๊บเดียวถ้าเผื่มันมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพแบบมันเข้าไปลึกมากอะไรเงี้ยอย่างนี้ดิอ <c oughs> ืถ้าเผิดวันไหนนะถ้าเผือนั่งแล้วนั่งอีกแล้วมันก็ยังเอฟุ้งไปโน่นฟุ้งไปนี่อะไรก็ลุกขึ้น <c oughs> เลยเดิกเลยไปทํา เดินไปเดินมาเลยไปเจริญสติก่อนแต่วันนี้ได้ได้มากเลยค่ะจากที่ท่านเทศเรื่องเรื่อง M C เรื่องเรื่อง s ปอร์พาล่าห้าเป็นพอยงเก้า Super เป็นน้ามันเก้าสเเป็นเก้าสห้าเป็นอนี่ะปอะไรอ่ะเอ่อเอ่อ m e สมาธิถือว่า เวลาเรานั่งเนี่ยเราก็มีความเพียรอย่างแรงกล้าตั้งพยายามมองไปรอบๆบ้านเนี่ยมันมีอะไรนุ่มๆนะดูเราดูไอ้หมอนอิงก็นุ่มนะของในตู้เย็นมันก็แต่ว่ามันก็เน่าไปเพราะเรากินไม่ทันเลยรนี้นีนี้ก็ไปออกไปข้างนอกเหมือนกันนะฮะของดีๆทั้งนั้น ทีนี้เราต้องหยุดหมายถึงว่าเออเราดูอร่อยนะอทีนี้แต่แตี่ที่อาจารย์บอกว่าเออเออมีมีคนที่แบบว่าทําเกินอ่ะทําเกินแบบเห็นอะไรเป็นอุจจาระหมดอันนันก็เกินไปแต่ว่าถ้าเผื่อเราเราแบบดูแบบที่เอหลวงตาโบแก้ให้อ่ะว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเอให้แก้เป็นดูให้มันเป็นธาตุดินน้ําลมไห อันนี้แหละอันนี้มันเป็นมันแก้ปัญหาของใช่ทุกอย่างมันมาจากดินน้ําลงไปเยอะเล้เพราว่าพอเห็นเค้กสวยๆอิ่มอร่อยเนี่ยนะคะออืมันหยุดไม่ได้ออนะแม่ขนามันเลยเที่ยงแล้วก็เอาหน่อยฮะคือใครอียดนะเจบเรียนแล้วเะอาแนะนำแบบเลดินน้ำลงไป แล้ก็เดินจากไปเด็กเก็บสต่างไปละอันนี้อันนี้โอ้โหเก่งมากคราวนี้มันมันช่วยช่วยช่วยพัฒนาการทําสมาธิแล้วก็การเป็นอยู่ที่ชั่วโมงที่เหลืออยู่เนี่ยที่มันไม่อยู่ในสมาธิออกมาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากต้องใช้ปัญญาว่ามันไม่เที่ยงว่ามันทุกข์เนี่ยว่ามันเป็นอ ขยะมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวไหไต้องเห็นไเห็นตอนจบของมันเราชอบไปเห็นตอนต้นของมัน<ะ>ตอนต้นมันก็สวยงามดอกไม้เวลามันบานนี่สวยเราไม่ดูตอนที่มันเฉาแล้วช่ไามมันเฉาเาเสียเงินไปซื้อมันหรือไม่ซื้อมาสามวันก็เฉาแล้วเสียเงินไปเปล่า <ย> ซ, ซ, ซื้อดอกพัสติงดีกว่าไม่เฉา <laughs> ีมันดอกลวงเดินดอกลวงมันก็หนา <laughs> มันก็ดินน้ำลงไปเหมือนกันจะเดเดเดยอมชอบชอบคิดว่าชคดีนะฮะตอนที่กลับมาจจกอังกฤษคือว่าคือว่าห่วงแม่ฮ ะ, ะว่าถ้าเผืแม่ตายไปแล้วเราไม่ได้อยู่นี่น ะ, ะมันจะไม่ดีเพราะเรารักแม่นะก็ ประกาศว่าชันหกสิบกกลับบ้านแล้วดูแม่มนแล้วก็ม า, าหาอาจารย์ที่สอนเราได้ก็มาคือแม่นะคะก็งอมไปทกนกคนทกทุกั น, กนแล้วก็มันไปเยี่ยมแม่ที่อยู่บ้านในเอ่อตอนนี้เราปรไปเนี่ยนะคะเพราะเราได้มีแม่ซึ่งอายุเก้าสิบสี่ะเราก็แม่อามาดูหน่อย ให้มันเกือบเท่ามันเกือบเหมือนกันเลยน่ะใกล้เลยเราดูหน้าแม่ถ่ายรูปซฟเซลฟี่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยจนท่านสิ้นนะฮะจนท่านสิ้นอนนั้นคือตักไม่คิดว่าท่านจะไปแล้วขนาดนั้นแต่ว่าพี่เตือนไปแล้วว่าคือเนี่ยแล้วมองไว้ๆอ่ะมันเหนื่อยทุกึ่งกลับจากโคราชไปบวชก็ขับมา ทันก็นอนเหมือนคนตายธรรมดาพร้อมๆนะก็ก็เท้าเท่าลูกแต่ว่าพร้อมพรอมมากนะพร้อมมีตะกระโดกเนี่หมือนคนนอนหลับธรรมดาก็ไปจับแม่เย็นเชียบเลยนะแต่ยังนุ่มอยู่อือเพราะว่าสามทุ่มกับกับสามโมงเช้าอ่ะมันแค่สิบองชั่วโมงมก็ได้ไปดูแม่นะเอาพรมลายไปใส่ใส่มือแม่อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอ๋อ นี่คือสภาพที่เราจะเป็นในวันข้างหน้าเตรียมตายไวแล้วไม่มีความรู้สึกเสียใจร้องไห้เลยเลยดีใจที่แม่ได้ไปอย่างสงบเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะได้ไปแล้วไปจัดศพแม่รอจนกระทั่งสับปะเลอเขามาอะไรงเงี้ยเป็นการเป็นการฝึก ให้ใครคิดว่าอ๋อมันก็ตายทุกคนออันนี้จังอันนี้จังอันนี้จ่าวตาสังขารละสังขารทั้งหลายของแม่ของแม่ของแม่เขาก็เป็นอย่างนี้อเป็นด้วยกันทุกคนนะะเราจะได้ปร่งได้โอรงได้แล้วก็ใจจะไม่ไม่ทุกข์กับมันไม่กลัวไม่กลัอ่ดีมีคำถามทางบ้านไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ สามค่ะ่เอ่ว่ามาีมีภาษาอังกฤษวันนี้มีค่ะอาภาษาอังกฤษก่อน e s t e r n form, s h r o n Form, On YouTube live. อาจารย์ if it is not meant to be that way, it would not have been that way. Is this correct? And if so.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 เรามาสวดแสดงว่าเราไม่มีสติจดจามันเลยก็มาเปิดพอมาเปิดดูอ่านได้สองสามคำมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสวดแบบไม่คิดอะไรก็หัดท่องไว้เวลาท่องนี้มันต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับบทที่เราจะท่องและจะจต้องจดต้องจําการหั ด, หดสวดมนต์นี้ต้องสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือถ้าเปิดหนังสือนี่มัน ใช้ไม่ได้มันต้องสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือเหมือนพุโทโธเงี้ยถ้าเราต้องเปิดหนังสือท่องพุโทโธพุโทโธเนี่ยเสียเกิดถ้าไม่มีแสงก็ดูไม่ได้นะเออาฉนั้นถ้าอยากจะให้สวดได้ไม่คิดอะไรก็ท่องมันดีกว่าแล้วก็ท่องไปทั้งวันเอถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ท่องท่องมูลไปทั้งวันเนอะ เดินตาขึ้นมาก็สวด e T P ow, เอติปิโสอรหังสัมมาสวาคขาโตไปอาบน้าก็เอติ T P ปิโสไปกินข้าวก็เอติ T P ปิโสไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอติ T P ปิโสไปเดินทางไปทํางานก็เอติ T P ปิโสไปสวดไปไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของคนอืน่นนอกจากเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราเช่นเดินไปก็ต้องดูดูทางดูถนนขับรถก็ต้องดูถนนด้วยไม่ใช่สวดอย่างเดียวอื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 ถ้ามีความสงบมีความสุขมันมีความอิ่มมันก็ไม่อยากจะได้อะไรมันก็ไม่ต้องไปขโมยเงินใครไม่ต้องไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นก็คำ ถ, ถามจากคุณสุรีปกติหนูจะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตอนประมาณเที่ยงคืนพอต้องรอให้ลูกๆหลับเมื่อคืนหลังจากนั่งสมาธิประมาณปีหนึ่งคึ่ก็มานอนต่อขณะนอนก็ยังบริกรรมพุทโธต่อ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 มีความสุขใจมีความสบายใจอันนี้ไม่ว่าจะใส่บาตจะถวายผ้าป่าสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงข้าวหมาอะไรนี้ทําไปแล้วเราได้เสียสละได้บอยจากเงินทองสมบัติเข้าของของเราให้แก่ผู้อื่นไปใจเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยแล้วเงินทองมือเข้าของที่เราทํานี่ก็เหมือนกับเราเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญ แล้วชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่แเราก็จะไปเบิกเอามาใช้ได้นช่นทำได้เหมือนกันจะทำแลไในรูปแบบไหนก็ได้เยงแต่ให้ใช้ปัญญาดูความจำเป็นนั้นเองที่ไหนเขาขาดแคลนก็ไปทำที่นั่นที่มันเต็มมันลน้นไปทำมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์นอกจากว่าของที่เราไปทำที่เขาล้นแล้วก็เอาไปทำต่อก็ไม่เป็นไร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 ก็ทําไปท่านเองเพียงแต่ว่าให้ให้ดูบ้างก็ดีอถ้าพระท่านบิณฑบ่าไม่มีอาหารก็ใส่บาตรให้ท่านเอย่าไปถวายผ้าปา่านี่จีวรท่านมีพอแล้วแต่ท่านบินธบ่าท่านไม่มีอาหารนี่ก็ใส่อาหารให้เอแต่ถ้าดันบินธบา่าถ้าขาดลุ่งเร่องนี้นออก็ถวายผ้าปา่าไปถวายผ้าจีวรไปให้สังเกตดูบ้างว่าหรือถ้ามีโอกาสก็คุยกับท่านได้ สนทนาปลาใได้ถามได้แต่ท่านจะตอบไม่ตอบก็อกเรื่องหนึง่งเ mm hmm. พราะภาพบางรูปท่านก็ไม่เคยไม่เคยตอบไม่เคยบอกว่าต้องการอะไร mm hmm. ท่านปล่อยให้เราพิจารณาตามอัธยาศัยท่านนักน้อยสันโดษท่ายินดีกับ mm hmm. สิ่งที่ท่านมีอยู่ถึงแม้ภามันจะขาดลุกมันก็ยังใส่ได้ท่านก็ไม่ไม่ข่าวคำขออะไรจากใคร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 อาการที่มันเกิดขึ้นให้รู้เฉยๆเหมือนกันเราดูลมก็ดูไปดูจิตตกหลุมตกบ่ ก, ก็ดูมนไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบแล้วมันก็จะสบายคำถามจากคุณจุมพจน์สวดมนต์และนั่งสมาธิเมื่อทําเสร็จจําเป็นต้องแผ่เมตตาไหมครับเรื่องแผ่เมตตานี้มันต้องแผ่ตอนที่ไปเจอกัน อ, อยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใคร เหมือนทำบุญนี้จะทาบุญต้องมีคนรับใช่ไห ม, มการแผ่เมตตก็ต้องมีคนรับไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วไปแผ่ให้ใครอีกที่ส่วนนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการเรียนรู้เป็นการสั่งสอนเตือนใจว่าเราต้องแผ่นะเราต้องเอาเวลาไม่จองเวรเราต้องเอาบัญญยาปัจชาไม่เบียดเบียนเราต้องให้คนอื่นเขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาดีอย่าเขาแม่เขาทุกข์ม่เขาเดือดร้อน เราต้องการให้เขามีความสุขวิธีแผลก็ต้องเวลาเจอกันเจอกันก็นยิ้มให้กันยิ้มกันนี่ก็แผแลละพอเขาเห็นรอยยิ้มเขาก็มีความสุขใช่ไหมแล้วยิ่งมีขนมมาฝากก็ยิ่งยิ้มใหญ่ยิ่งสุขใหญ่หรือเวลาเขาดา่าเราเราก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่จองเวรกันยกให้คุณไปคนอยากจะด่า ก, ก็ด่าไปถือว่าเป็นการทำบุญทาทางกัน ดาแล้วเราคุณมีความสุขเราก็อนุโมทนาสาธุกนัน <c oughs> อันนี้เรียกว่าไม่ไม่จองเวรไม่อาฆาตพยาบาทไม่โกรธเกลียดกันให้อภัยกันเนี่ยนี่คือวิการแผ่ต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์ให้แผ่ตอนที่อยู่คนเดียวไม่มีเหตุการณ์อะไรให้แผ่ตอนที่ส่วนนี่สว่สวนส่วนเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างบางทีส่วนก็ไม่รู้ความหมายสิสวนไปก็เสียเวลาเปล่า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 ถาเวลานั่งมันก็จะสงบได้นานคำถามจากคุณพัชชาลเบื่อในความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ไหมคะอ่าประถามเนาะทําไม ค, คุณคุณทุกข์ก็เปล่าเล <c oughs> ออความเบื่อก็แสดงว่ามันทุกข์แล้วก็ถ้าไม่อยากจะเบื่อไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดอย่างที่บอกถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ไปบวชชีบวชพระเนย เราจะไดตัดความอยากที่เป็นเหตุมาพาให้มาเกิดกันคาถามจากคุณหนูการที่เราทำบุญโดยการให้ทานแต่เราพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่พูดรับจะได้อย่างนี้ถือว่าทาให้เราได้บุญทั้งได้รับทั้งบุญและกุศลหรือเปล่าคะได้ก็เราได้ปัญญาได้รู้จักใช้การให้แบบให้มันเกิดประโยชน์นะ อันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าความสุขใจให้แล้วก็มีความสุขใจแล้วยิ่งเห็นว่าให้ไปแล้วเกิดประโยชน์มันยิ่งมีความสุขมากขึ้นถ้าให้ไปแล้วยังสงสัยว่าเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่าเรื่องจะไปทําหรือเขาจะเอ า, เอาไปโยนทิ้งเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าัไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไหร่จากการให้ แต่ถ้าจะให้อย่างสุขใจเราก็อย่าไปกังวลกับคนรับเขาจะาไปทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราให้แล้วเราจบเราให้เพื่อเราให้เพื่อให้เกิดความสบายใจเราก็พิจารณาดีแล้วว่าคิดว่าเขาขาดแคลนนี้ให้เขาเราได้ประโยชน์ก็ให้เขาไปก็จบไปอย่าไปตามดูว่าเขาเอาไปทำ <c oughs> ทานู่นทำนี่หรือเปล่า <c oughs> กินหรือเปล่าพระเจ้านหน่หลวงพ่อหยิบของของฉันหรือเปล่าหยิบแล้วท่านกินหรือเปล่า ท่จุดานเอาของเราไปให้ใครหรือเปล่าถ้าอย่างนี้เราจะไม่สบายใจให้แล้วถือว่าเป็นของท่านละท่านจะไปทําบุญต่อก็เรื่องของท่านท่านกินคนเดียวไม่ไหวหรอกจะกินไงไหวก็ต้องเอาไปแบ่งให้คนอื่นต่อคําถามจากคุณพารถ้ามีหลายๆคนมาทํานาย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 ใช้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นใหม่ครับไม่หรอกการทํานายทายทักนี่ก็เป็นเป็นอาชีพเนี่เจ้าว่าเจ้าว่า <c oughs> ไม่เป็นอาชีพก็ต่อเมื่อเราไม่รับเงินทองมันก็เป็นการทําบุญไปทีนี้การทํานายทายทักมันก็ถูกบ้างผิดบ้างหรือ ว, ว่าถ้าแม่นก็ <c oughs> ถ้าแม่นก็แม่นนะแต่มันก็ไม่ได้ไป <c oughs> ไปทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงความจริงความจริงก็ต้องแก่เจ็บทายอยู่ดี <c oughs> <c oughs> งั้นการทำทำเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเพียงแต่บรรเทาความความเดือดร้อนความไม่สบายใจของคนที่ไม่มีที่พึ่งที่ยังไม่ยอมมองความจริงกันก็นลองไปหาหมอดูให้ไปพูดอะไร ดีไม่ดีเดี๋ยวไปหมอเกิดไปพูดสิ่งที่ไม่ถูกใจก็จะทุกข์มากขึ้นไปเปล่าๆนั่นมันไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์การดับทุกข์นี้ต้องมาสอนความจริงใครมาหาก็บอกคุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะอันนี้ของจริงก็จะได้ไปเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเขาก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันนั่นถ้าไม่ทำมันก็ไม่บาปหรอก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 คนบางคนก็มีบางอย่างบางคนก็ไม่มีอย่างหลวงปู่บั่นนี่ท่านก็อ่านใจของคนอื่นได้ท่านก็ติดต่อกับเทวดาไดอา้อันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้พิเศษแต่มันไม่เกี่ยวกับการเรื่องของการไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นเพราะความรู้พิเศษเหล่านี้ไม่สามารถระดับกิเลสได้ ดีไม่ดีถ้าไม่มีปัญญาก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเช่นไปเป็นอาชีพไปเป็นหมอดูแทนที่จะไปบวชไปปฏิบัติธรรมก็เลยทำอาชีพนี้ดีกว่ามานั่งทำนายทายทักเขาแล้วก็ได้เงินได้ทอง